การเจริญสังบรธรรมด้วยการระงับจิตเป็นต้นวิธีเจริญสังบรทั้งสามอย่างนั้นกล่าวไว้ในคำภีอัตถสาริณีว่าตัดซาอิมินานยามิ ต, ตวะเสนาปารินามิตตวะเสนาสมุทาจารวะเสนาอภูจิตาวาเสนาจะ ก, กุสลังนามะชาตังโหติขึ้นเช่าว่ากุศลย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นด้วยการระวังจิต การเปลี่ยนจิตความเคยชินและการพิจารณาด้วยปัญญาการระวังจิตคือการน้อมใจในอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่เนืองๆโดยดาริในการทำกุศลและหลีกเลี่ยงจากอากุศลกราวคือกระทําพูดหรือคิดในสิ่งที่เป็นกุศลอดทนไม่ให้เกิดความขัดใจและไม่กระทําพูดหรือคิดสิ่งที่เป็นอกุศล แม้ในบางขณะที่ประสบกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็มิได้ใส่ใจจนกระทั่งเกิดอกุศ ล, ลจิตเช่นผู้ที่ดำริว่าจะให้ทานก็ควรมีศรัทธานในทานมิได้คิดถึงการใช้ทรัพย์เพื่อใช้สอยสิ่งอื่นหรือเมื่อประสบกับอนิจฐานล์ก็อดทนไม่แสดงอากัปกิริยาไม่พอใจดังนี้เป็นต้นการเปลี่ยนจิต คือการเปลี่ยนแปลงจิตที่เกิดอกุศลที่เป็นกุศลเช่นเมื่อภิกษุพบกับวิสภาคารมที่สวยงามย่อมเกิดความชอบใจในขณะนั้นพึงระลึกว่าหญิงคราวแม่ที่พบเป็นแม่แท้ๆญิงไวคราวพี่เป็นพี่สาวหญิงคราวน้องเป็นน้องสาวมีไมตรีจิตและกรุณาเหมือนญาติพี่น้องของตน หรือไม่พึงสนใจต่อรูปร่างสันฐานที่ทำให้คิดฟุ้งซ่านแต่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นสมณกิจเช่นท่องบนสาธยายปริยติธรรมถามตอบธรรมะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนปรมจันทร์และทำวัดน้อยใหญ่ในวัดเป็นต้นหรือภิกษุอาดเพ่งสิ่งที่ไม่สวยงามในร่างกายเช่น น้ำตาคิดตาน้ำมูกสเสรลฐอุจจระปัสสวะในหญิงที่พบเห็นซึ่งเรียกว่ามูลปริญญาในนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนจิตด้วยปฏิสังขารในคือในพิจารณาโดยความเป็นกิเลส ท, ที่จรมากิเลส ท, ที่เกิดชั่วขณะหรือพิจารณาแยกเป็นขันธ์อายตนะธาตุาและปัจจัย โดยกล่าวไว้ในอธิกถาของมหาสติปัฏฐานสูตรความเคยชินคือการสั่งสมกุศลอยู่เสมอด้วยการศึกษาปริยติธรรมอ่านคำพีสาธยายคำพีสอนคำพีรทำเสนาสนะวัดแสดงธรรมปรึกษาธรรมฟังธรรมและถือทุดงเป็นต้นเมื่อภิกษุสั่งสมกุศลอย่างนี้ กุศลจิตย่อมจะเกิดทางทวารทั้งหกอยู่เสมอส่วนอกุศลจิตจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นการพิจารณาด้วยปัญญาคือการมีโยนิโสมนสิการในทุกขณะที่พบกับอารมณ์หกเพื่อให้กุศลจิตเกิดอยู่เสมอเช่นถ้าถูกตำหนิดโดยประศจากความผิดก็ควรดําริว่าเขาพูดตำหนิ โดยรู้เท่าไม่ถึงการการตำหนิผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ไม่ได้สำรวมตนถ้าเขารู้ความจริงภายหลังก็จะไม่สบายใจตอนนี้เราถูกตำหนิเพราะเคยไปตาหนิคนอื่นมา ก, ก่อนการชดใช้หนี้กรรมก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปเป็นต้นอีกนายหนึ่งพึงพิจารณาว่า การถูกตาหนิเป็นโล ก, กธรรมที่เกิดกับทุกคนแม้พระผู้มีพระภาคแม้พระผู้มีพระภาคก็เคยถูกตาหนิเช่นกันจะป่วยกล่าวไปยายในเราเองการเผยกับโล ก, กธรรมแล้วไม่สบายใจนั้นเป็นธรรมดาของคนที่ไม่ได้อบรมจิตแต่ความอดทนในโล ก, กธรรมเป็นคุณธรรมของสัตบุรุษเท่านั้นเราจะไปตามทางของสัตบุรุษ พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนสาวกว่าแม้จะถูกคนอื่นใจเลื่อยตัดลำตัวก็ควรอดทนไม่ควรมีจิตประทุษร้ายบุคคล น, นั้นเหตุใดเราจึงประพฤติตามคำสอนของพระบรมศาสดาไม่ได้อีกในหนึ่งพึงพิจารณาว่าคนพูดตำหนินั้นเป็นเพียงจิตตะชรูปที่เกิดจากจิตตุบาทซึ่งมีโทสะเป็นประธาน บุคคลนั้นเป็นเพียงรูปนามขันห้าเท่านั้นโดยปรามัิไม่มีบุคคลผู้พูดตำหนิและรูปนามเหล่านั้นก็เกิดดับอยู่เสมอในขณะที่เขาพูดถ้าเรายังโกรธเขาก็จัดว่าโกรธรูปนามใหม่ที่เกิดต่อจากรูปนามเก่าเหมือนการโกรธบิดามารดาแล้วไปทำร้ายบุตรธิดาของเขาแม้ตัวเราเองก็เป็นเพียงขันห้า ที่ประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อขันเก่วแตกดับไปขันใหม่ย่อมเกิดขึ้นไม่มีบุคคลเราเขาที่แท้จริงมีแต่สภาวะธรรมการพิจารณาด้วยปัญญานี้อาจทำได้หลายวิธีเพื่อก่อให้เกิดกุศลซึ่งจัดเป็นโยนิสมนสิการเรื่องนี้จะปรากฏต่อไปในธรรมานุปาาัสสนาหมวดนิวรณ์ที่สโดยประการดังนี้ บุคคลพึงยังกุศลละจิตให้เกิดทางทวารหกแล้วรักษาอินทรีวรศีลด้วยการปิดกั้นจิตไม่ให้เกิดอกุศลผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมมีสติก่อให้เกิดกุศลละจิตอยู่เสมอในขณะประจวบกับอารมณ์หกสติในที่นี้ชื่อว่าสติสังวรแม้ในบางขณะอาจเกิดอกุศลละจิตบ้างก็พึงตั้งใจว่า จะไม่คิดเช่นนั้นอีกอินทรียสังวรย่อมหมดจดด้วยความตั้งใจเหมือนความหมดจดจากอาบัตเมื่อปรงอาบัตแล้วนอกจากนี้ความอดทนต่ออนิถารณมได้โดยไม่เสียใจหรือกโกรธเคืองชื่อว่าคันติสังวรและความเพียรเพื่อไม่ให้เกิดกรรมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก ชื่อว่าวิริยะสังวรในที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางที่ดีงามเพื่อฝึกจิตให้เกิดกุศลอยู่เสมอดูเหมือนทำง่ายแต่เมื่อปฏิบัติก็จะพบว่ายากเพราะจิตไม่ได้อบรมมาด้วยภาวนาที่มีสภาพหยาบแม้เราตั้งใจจะไม่คิดถึงสิ่งชั่วจิตก็มักหวนคิดไปถึงอารมณ์นั้นข้อนี้เป็นธรรมดาของจิต ที่ไม่ได้อบรมมาดีด้วยภาวนาบางคนกล่าวว่าผู้ที่เจริญภาวนาต้องชำระศีลสี่อย่างให้หมดจดก่อนบางคนกล่าวว่าแม้จะไม่ได้เจริญภาวนาก็อาจชำระศีลเหล่านั้นให้หมดจดได้ความเห็นข้างต้นขัดแย้งกับคำอธิบายในคำพีอัตถคถ า, าและดิกาที่กล่าวถึงการไม่เกิดกิเลสทางทวารทั้ง6 โดยรับรู้เพียงสภาวะเห็นเท่านั้นและผู้ที่ไม่ได้เจริญภาวนาจะห้ามจิตไม่ให้เกิดกิเลสเมื่อเกิดวิญญาณจิตในขณะที่อารมณ์6ปรากฏทางทวารหกได้อย่างไรแม้ผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างมีกำลังเรียกว่าพลวะววิปัสสกะก็อาจเกิดกิเลสแทรกซ้อนได้ในบางขณะ คนธรรมดาสา ม, มัญจึงไม่อาจห้ามจิตจากกิเลสได้ตลอดเวลาเพราะกิเลสจะละด้วยอินทรียสังวรไม่ใช่วีติ ก, กะมกิเลสที่ล่วงละเมิดทางกายและวาจาแต่เป็นปริยุท ธ, ธานกิเลสและอนุสัยกิเลสที่ต้องละด้วยสมาธิและปัญญาตามลำดับอันหนึ่งอินทรียสังวรศีลเป็นศีลโดยปริยาย มิใช่เป็นศีลโดยตรงเหมือนปาติโมขสังวรศรีลแม้องค์ธรรมของอินทรียสังวรศรีลที่เป็นสติปัญญาขันติและวิริยะนับว่าเป็นสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาโดยตรงจัดเข้าในภาวนาจะเห็นได้ว่าองค์ธรรมของยานาสังวรคือมัรคยานดังที่กล่าวไว้ในคัมภีจุลนิเทศ และอธกถาสุตตนิบาตจิตที่อบรมดีแล้วด้วยภาวนาจะมีความละเอียดอ่อนและอยู่ในอารมณ์ที่ตั้งใจไว้ข้อนี้เป็นธรรมดาของจิตที่อบรมดีแล้วดังนั้นอินทรีสังวรสีนจึงหมดจดได้ด้วยการภาวนา ยิ่งภาวนามีกาลังมากเพียงใดสีข้อนี้ก็ยิ่งหมดจดมากเพียงนั้นเมื่อภาวนามีกำลังมากเต็มที่แล้วสี น, นี้ก็หมดจดตามที่กล่าวไว้ในคำพีอัตถกถาและดีกาในคำพีวิสุทธิมกกรรคกล่าวว่าภิกษุพึงประพฤตเหมือนพระมหาติสเถระท่านเจริญอสุภาพภาวนาข้ออธิกะสัญญาอยู่ ได้เห็นหญิงนางหนึ่งหัวเราะย่วยวนก็เจริญอสุภาพภาวนาในฝันที่เห็นแล้วได้บรรลุปฐมฌานท่านเจริญวิปัสสนาโดยมีปฐมฌานเป็นบาตรในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลในขณะนั้นดังข้อความในคำพีวิสุทธิมักว่าตัดสาทันติกังทิสวาปุพพสัญย์อนุสรีตัดเทวโสตโตเทโร อรหัตตังอปาปุีิพระเถระนั้นยืนอยู่แล้วเห็นกระดูกฟันของหญิงนั้นก็ระลึกถึงสัญญากเก่าจึงบรรลุอรหัตผลในที่นั้นนั่นเองคำว่าปุพสัญญงอนุสรีแสดงว่าพระเถระเป็นผู้เจริญอธิกฐสั ญ, ญาอย่างช่มชองผู้ที่ต้องการจะพิจารณาเช่นนี้ต้องเจริญภาวนา ให้มีความช่ำชองเหมือนพระเถระจึงจะประสบผลสําเร็จสูงสุดได้แต่ผู้ไม่เคยอบรมภาวนามาก่อนย่อมไม่อาจจะพิจารณาได้เหมือนผู้ที่อบรมภาวนาดีแล้วความเจริญผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจะสามารถพิจารณาอย่างนั้นได้แต่การพิจารณาว่าเป็นอสุภะของเขาก็จัดเป็นภาวนาดังนั้น อินทร์สังวรศีลจึงไม่อาจจะบริบูรณ์ได้โดยปราศจากภาวนาด้วยเหตุดังกล่าวข้อความในคำพีอัตถกถาและดีกาที่กล่าวถึงการปิดกัน้นไม่ให้เกิดกิเลส ท, ทางทวารทั้งหกจึงหมายถึงการคุ้มครองจิตด้วยภาวนาโดยแท้อย่างไรก็ตามผู้ที่มิได้เจริญภาวนาเมื่อต้องการจะสำรวมอินทร์ก็อาจทำได้ตามในที่กล่าวมาแล้วนั้น แต่ถ้าต้องการจะให้อินทรีย์สังวรศีลหมดจดก็ต้องเพียรเจริญภาวนาและไม่ควรวิตกกังวลว่าอินทรีย์สังวรศีลยังไม่หมดจดเมื่อสังวรธรรมปรากฏขึ้นในจิตตุบาทในขณะที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือได้ว่าอินทรีย์สังวรศีลหมดจดบริบูรณ์แน่นอนสรุปศีลของภิกษุภิกษุพึงรักษาปฏิโมคสังวรศีล และอาชีวะปริสุดที่ศีลให้หมดจดก่อนเมื่อศีลสองอย่างนี้วิบัติก็ต้องอาบัตและจัดเป็นอันตรายเพราะเป็นการล่วงละเมิดข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งในศีลทั้งสองอย่างนี้ปฏิโมคขังวรสีนเป็นประธานเพราะเมื่อศีลประเภทนี้หมดจดอาชีวะปริสุ์ที่ศีลก็หมดจดเช่นกันกล่าวคือ เมื่อการเลี้ยงชีพวิบัติไปภิกษุย่อมต้องอาบัตและปาติโมคสังวรศีนก็บกพร่องภิกษุที่ต้องการชำระปาติโมคสังวรสีนก็หมดจดควรหลีกเลี่ยงมิจจาชีพทุกประเภทเช่นให้ดอกไม้ให้ผลไม้ทำนายดวงชะตาเป็นต้นแล้วยังชีพด้วยปัจจัยที่สแสวงหามาได้ตามธรรมวินยัย ส่วนอินทรียสังวรศีลและปัจจะยสันนิสิตศีลถ้ามีความอุตสาหะต้องการเจริญกุศลก็ควรรักษาให้หมดจดบริบูรณ์เพราะช่วยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนใจเป็นต้นอย่างไรก็ตามแม้ศีลทั้งสองอย่างยังไม่หมดจดก็ไม่มีอันตรายอย่างใดแต่ก็ไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่งควรรีบเจริญภาวนา เพื่อให้ศีลทั้งสองอย่างหมดจดบริบูรณ์หลังจากที่ได้ศึกษาศีลสองอย่างแรกแล้วศีลทั้งสี่อย่างนี้จะเกิดขึ้นในกระแสจิตที่จเจริญภาวนามีความหมดจดบริบูรณ์โดยประการทั้งปวงเรื่องนี้จะปรากฏต่อไปในตอนท้ายของศีลคฤหัสถ์ที่จะกล่าวต่อไปศีลของคฤหัสถ์ศีลของคฤหัสถ์ไม่พิสดารเหมือนของภิกษุ เพียงรักษาเบญจศีลหรืออาชีวะมัทธกรมศีลก็จัดเป็นผู้มีศีลหมดจดแล้วแม้ว่าเบญจศีลและอาชีวะะัรรมกะศีลจะมีบางสิขาบทแตกต่างกันแต่ทั้งสองอย่างก็เป็นศีลวิสุทธิเหมือนกันเพราะมีการรักษาและงดเว้นเสมอกันผู้ที่รักษาเบญจศีลนั้น เมื่อจะรักษาให้หมดจดบริบูรณ์ก็ไม่เพียงรักษาสิกขาบทหข้อที่ปรากฏโดยตรงเท่านั้นแต่ยังต้องงดเว้นว จ, จีทุจริตอีกสาข้อคือปิสุนะวาจาการพูดส่อเสียดพลุสวาจาการพูดคำหยาบและสัมผัสปราปะการพูดเพ้อเจอ้อทั้งสมข้อนี้เข้าในมุสาวาทโดยเป็นว จ, จีทุจริต เหมือนกันและบุคคลนั้นยังต้องงดเว้นจากมิจฉาชีพอีกด้วยผู้ที่รักษาอาชีวรธรรมกะศีลต้องเว้นจากการดื่มสุราอันนับเข้าในกามเมสุมิจฉาจานเพราะเป็นความประพฤติผิดในกาเมคุณคือรสารมเหมือนกันดังนั้นเบญจะศีลและอาชีวรธรรมกะศีลจึงไม่ต่างกัน ส่วนปฏิโมขสังวรศีลของคฤรืหัดคือการงดเว้นจากกายทุจริตสามและวจีทุจริตสี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพในเบนจศีลและอาชีวธรรมกะศีลและอาชีวปาริสุทธิศีลของครืหัดคือการงดเว้นจากกายทุจริตสามและวจีทุจริตสี่ซึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพ ศีลของฆราหัตที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพนี้ไม่เหมือนกับศีลของภิกษุภิกษุณีผู้ประกอบมิจฉาชีพย่อมต้องอาบัตในขณะธรรมและในขณะใช้สอยปัจจัยที่ได้รับด้วยมิจฉาชีพเพราะล่วงละเมิดข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อครหัตที่ประกอบมิจฉาชีพอาชีวะปาริสุดที่ศีลของเขาย่อมวิบัติไปในขณะล่วงละเมิดกายทุจริต และวจีทุจริตเท่านั้นไม่นับเป็นมิจฉาชีพในขณะใช้สอยปัจใจดังกล่าวเพราะมิได้ทาบาปใดๆในขณะใช้สอยบริโภคและไม่ได้ล่วงละเมิดข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าเหมือนภิกษุเพราะฉะนั้นครืหัสที่ได้รับสิ่งของที่แสวงหาได้ด้วยมิจฉาชีพจึงไม่จาเป็นจะต้องสละสิ่งของเหล่านั้น และถ้าไม่กระทำมิจฉาชีพทางกายหรือว่าจาอีกอาชีวะปริสุท์ที่ศีลของเขาก็หมดจดเหมือนเดิมอินทรีสังวรศีลเกิดขึ้นได้ยากแก่ภิกษุผู้ไม่ได้เจริญภาวนาจึงไม่ต้องกล่าวถึงกรณีในครืหัสทั่วไปส่วนปัจจยนิสิตศีลจะเกี่ยวข้องกับบรรพชิตเท่านั้นเพราะคริหัสไม่มีการบริโภคอันนี้ เนื่องจากใช้สอยปัจจัยโดยไม่ได้พิจารณาแต่ศีลข้อนี้เป็นเทศนาที่เนื่องด้วยพระสูตรการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยจึงก่อให้เกิดกุศลและจิตข้รือหัดอาจประพฤติศีลข้อนี้ได้เช่นกันและศีลทั้งสีส่ประเภทจะบริบูรณ์ได้ในขณะเจริญภาวนาอย่างเดียวบางคนสําคัญว่าต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เป็นเวลานานนับเดือนหรือปีจึงจะเจริญภาวนาเพื่อก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาได้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงอัตโนมัติเท่านั้นความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงอัตโนมติเท่านั้นเพราะไม่ปรากฏในพระบาลีอัธกถาและดีกา ว, ว่าจะต้องรักษาศีลให้หมดจดนานเพียงใดจึงจะเจริญภาวนาได้ หมายความว่าถ้าภิกษุทธาปาติโมคขสังวรศีลให้บกพร่องไปก็จัดว่าเป็นอนาวีติกะมัตฑรายะภิกษุจึงสมควรประพฤติศีลให้หมดจดก่อนแต่ไม่ได้ระบุว่าต้องนานเพียงใดจึงควรเจริญภาวนาดังนั้นนับแต่ขณะที่ภิกษุประพฤติศีลของตนให้หมดจดแล้ว ก็ควรเจริญภาวนาได้ทันทีแม้ข้ารือหัดก็เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วอาจเกิดสมาธิวิปัสสนาและมรรคผลได้ตั้งแต่เวลานั้น ศีลห้าของคฤรหัดนั้นเป็นศีลประจำที่มีอยู่ในโลกเสมอไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่ก็ตามผู้ที่ไม่ประพฤติศีลห้าย่อมจะมีโทษตามสมควรส่วนผู้ที่รักษาศีลห้าย่อมจะเจริญกุศลได้รับอนิสงค์ของศีล น, นั้ น, น, นประโยชน์และโทษของการรักษาศีลห้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้า แต่เป็นสภาพปกติที่มีประจำอยู่ในโลกดังนั้นผู้ที่มิได้รักษาเบญจสีนก่อนจะปฏิบัติธรรมจึงไม่เป็นอันตรายที่จะห้ามมรรคผลถ้าความผิดของเขาไม่ได้เป็นอนันตรยกรรมหา้าการประทุษาร้ายนางภิกษุณีและการพูดว่าร้ายพระอริยบุคคลถ้าเขาทำอนันตริยกรรมเป็นต้นนั้นแล้ว แม้จะเป็นบรรพชิตหรือขริอหัก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลในชาตินี้ได้อันตรายหาอย่างธรรมที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลมีห้าอย่างคือหนึ่งกรรมมันตรายะอันตรายคือกรรมหมายถึงมาตุคาตกะฆ่ามารดาปิตุคาตกะฆ่าบิดา อรหันตคาตะกะข่าพระอรหันตโลหิตุปาทะกะทําให้พระพุทธเจ้าทรงห่อพระโลหิตและสังฆเพทะกะทําลายทรงให้แตกแยกกันโดยกรรมสุดท้ายเกี่ยวกับภิกษุเท่านั้นกรรมเหล่านี้ชื่อว่าอนันตริยกรรมคือกรรมที่ให้ผลไปเกิดในอบายภูมิหลังจากเสียชีวิตแล้ว กรรมทั้งห้าอย่างนี้ขัดขวางการไปสู่สวรรค์และบรรลุนิพพานส่วนกรรมอีกประเภทหนึ่งคือภิกษุณีทุสกะประทุษร้ายนางภิกษุณีขัดขวางเฉพาะการบรรลุมรรค 2. กิเลสันตรายะอันตรายคือกิเลสหมายถึงมิจฉาทิฏฐิสามประการอันได้แก่ อกิอริยทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าไม่มีบุญบาปแม้จะกระทำอย่างไรก็ไม่มีกรรมดีหรือกรรมชั่วและไม่ส่งผลเป็นคุณหรือโทษนัติกาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าเหลาสัตว์ตายแล้วศูนย์ไม่มีพบใหม่ไม่มีผลของบุญบาปในพบต่อไป และอหตตกทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่เป็นเหตุให้เกิดคุณโทษลาวสัตว์ที่เป็นสุขหรือทุกข์โดยปราศจากเหตุปัจจัยความเห็นผิดทั้งสามประการเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ไปเกิดในนรกหลังจากเสียชีวิตแล้วจึงชื่อว่านิยะตะมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดที่นําพาตรงไปสู่นรกเป็นกิเลสขัดขวางการเข้าถึงสวรรค์และนิพพานในบรรดาความเห็นที่กล่าวมานี้อเหตุกาติฐิปฏิเสธเหตุว่ากรรมไม่มีนัตติกะทิฐิปฏิเสธผลว่าผลกรรมไม่มีส่วนอกิอริยะทิฐิปฏิเสธทั้งเหตุและผล อย่างไรก็ตามเมื่อปฏิเสธเหตุก็จัดว่าปฏิเสธผลเมื่อปฏิเสธผลก็เป็นการปฏิเสธเหตุความเห็นผิดทั้งสาประการจึงมีเหมือนกันโดยคัดค้านว่าบาปบุญไม่มีจริงผลของบาปบุญก็ไม่มีจริง 3. วิปากันตรายยัอันตรายคือวิบาก หมายถึงปฏิสนธิจิตที่เป็นอเหตุุกะปฏิสนธิและทวิเหตุปฏิสนธิบุคคลผู้กอบด้วยปฏิสนธิประมาณนี้ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้เพราะปราศจากปัญญาในขณะปฏิสนธิถ้าทำกุศลไว้ก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้ อันตรายประเภทนี้จึงห้ามการบรรลุมรคผลญาณและอภิน ญ, ญาไม่ห้ามการเข้าถึงสวรรค์ 4. อริยปวาทันตรายะอันตรายคือการว่าร้ายพระอริยบุคคลหมายถึงการพูดให้ร้ายพระอริยบุคคลเพื่อให้ท่านเสียชื่อเสียงหรือศีลธรรมแม้จะรู้ว่า ท่านเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ก็ตามอันตรายประเภทนี้ห้ามการเข้าถึงสวรรค์และนิพพานถ้าขอขมาแล้วก็พ้นจากอันตรายนี้ได้ 5. อนาวีติกะมันตรายะอันตรายคือการล่วงละเมิดข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าหมายถึงการต้องอบัตยอย่างใดอย่างหนึ่งในอบัต7เจหมวดของภิกษุ คือปราชิกสังคาทิเศตุลใจปาจิตเตีปฏิเทสนีทุกกตะและทุพพาสิทธ์อันตรายประเภทนี้ห้ามการเข้าถึงสวรรค์นิพพานแต่ถ้าชำระโทษตามวินัยกรรมแล้วก็พ้นจากอันตรายนี้ดังคำพีอัตถกถากล่าวว่า เตปิยาวะพิกุภาวังวาปฏิชานาตินะวุฒาติวานะเทเสติตาวะเทวณ ะ, ะตะโตปรังกองอาบัตเหล่านั้นย่อมทำอันตรายตราบที่ยังปฏิญาณความเป็นภิกษุหรือยังไม่ได้ออกจากอาบัตหนักหรือยังไม่ได้แสดงอาบัตเบา แต่ไม่ทำอันตรายในภายหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าการผิดศีลของฆราวาสทั่วไปไม่ได้เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลเพราะไม่ใช่ธรรมที่จัดอยู่ในอันตรายห้าอย่างข้างต้นดังนั้นผู้ที่ไม่ได้รักษาศีลก่อนจเจริญภาวนาจึงบรรลุมรรคผลได้ในขณะฟังธรรม และกำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏชัดเจนในขณะนั้นเช่นในเรื่องสัน ต, ติอมาตเรื่องคนตกปลาที่ชื่อว่าอริยะเรื่องขโมยคนหนึ่งที่มีในอัตถกถาธรรมบทและเรื่องเจ้าสกยะชื่อสารานานิ